ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายสิ่งคำจากมาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนเอาสามาธิทีิสูตรในมัชฌิมนิกายมูลปัญนาตก็สืบต่อกันมาโดยลำดับก็มาจบลงที่หมวดอายตนาประผะ โดยทรงสอนให้งงถึงสังโยชน์ที่เกิดขึ้นภายในใจในยานที่ตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิมรดกายถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งหรือใจเหนียวนึกตรึกนึกถึงอารมณ์ทั้งหลายเป็นการศึกษาโดยโครงสร้างเดียวกับเรื่องนิวรนะปะพะขมวดที่ว่าโดยนิวร เพียงแต่ว่าตัวกิเลสมันต่างระดับกันนิวร์เป็นกิเลสประเภทเรียกว่าปริยุทธานกิเลสคือกิเลสที่เกิดขึ้นรุมรุมใจแต่สังโยชน์นั้นเป็นกิเลสประเภทนอนเรื่องอยู่ภายในใจทำหน้าที่ปลูกใจสัตว์เอาไว้แต่ในภาคการปฏิบัติจริงๆเวลาเขาขึ้นสู่ วิธีจิตเนี่ยมันก็มีฐานะเป็นนิวรณ์คือเกิดขึ้นกลุ่มลุ่จิตก็มีฐานะเป็นนิวอณไปแม่สังโยชน์สองหมวดจะจำแนกไปหมวดละ 10. สิบรวมแล้วเป็นยี่สิบแต่ก็ซ้ำกันเยอะถึงถ้าหาวกว่าเราสรุปรวมลงที่นิวรณมันก็ได้นิวรณห้า สรุปรวมลงที่ราคะโลภะโทสะโมหะมันก็ได้กับกิเลสทั้งห้าหมวดตนนัวนี้หรือแม้แต่จะรวมลงที่อวิชามันก็มาจากอวิชาตอนนี้ก็เป็นปรยายเทศนาที่ทรงหลากหลายไว้ได้โวหารเพื่อให้เหมาะสมแก่คนซึ่งมีพื้นฐานจริตที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะช่วงนี้เป็นเรื่องของคนที่มีทิฏฐิแล้วก็มีปัญญาือทิฏฐิก็ไม่ค่อยจะแก้กล้าแต่ว่าปัญญามีความแหลมคมเพราะเมื่อท่านกำหนดรู้เท่าทันเนี่ยสามารถบรรเทาสามารถลดสามารถละไปในบางโอกาสได้ จนตามปกติเราก็ทําได้อยู่แล้วระดับหนึ่งเพียงแต่ว่ามีการโอจริงโอจังเพิ่มขึ้นด้วยการเจริญสติเพราะแนวตัวนี้ที่จริงก็คือแนวของอินเสียสังวรเพียงแต่ว่าทรงกระจายรายละเอียดไปในรูปของกรรมฐาน อ, อินเสียสังวรนั้นเป็นสมาวยามะที่จริงก็อยู่ในส่วนของจิตสิกขาด้วยกัน ใ น, นหมวดต่อไปเป็นพชชงกับปภ ะ, ะคือหมวดที่ว่าโดยโพชชงคำว่าพชชงนั้นเป็นองค์ธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้บรรลุธรรมในแง่ขององค์ธรรมจริงๆก็คือส่วนของจิตสิขากับปัญญาศิขาในอริยมรรคโดยละ ศีลเอาไว้ในฐานที่เข้าใจว่าคนเราเมื่อตั้งสติมาอยู่ระดับนี้ศีลมันก็เกิดขึ้นโดยธรรมชาติของเขาเพราะศีลก็แปลว่าปก ต, ติอย่างที่เคยยกตัวอย่างเอาไว้ว่ามีคนเวลามากที่ฟังธรรมเทศนาจากพุทธสํานักโดยไม่ได้มีการสมาทานศีนในลใดๆแต่ก็บรรลุมรรผลจนถึงเป็นพระอรหันได้ จตัวอย่างเช่นพระยาศสะพระยาศสตรนชัดเจนสหายของพระยัาสะท่านไม่ได้ให้รายละเอียดเอาไว้แล้วก็พวกพระพิมพิสารเนี่ยหรือแม้แต่พวกพระประยุรญาติที่เสด็จไปโปรดมันก็ไม่ได้มีการสมาทานศีลอะไรแต่การนั่งฟังด้วยจิตใจที่ส ง, งบมีสติระ ล, ลึกรู้เท่าทันถึง พระสุรเสียงที่ทรงเปร่งออกมานั้นกายก็สงบวาจาก็สงบเพราะโดยเหตนว่าในขณะนั้นก็ไม่มีการฆ่าสัตว์ไม่มีการลักทรัพย์ไม่มีการประพฤติผิดในกายไม่มีการพูดเท็จพูดโสเสียพูดกัมยาพูดเหลวไหลก็ไม่มีการเลี่ยงชีพในทางที่ผิดมันก็เป็นสมาวาจาสมมากรรมตะสมาชีวะไปโดยอัตโนมัติ ว่าในที่นี้ก็เน้นที่ศีลไม่จะเน้นที่ตัวสมาธิแต่ธรรมะหลักนั้นท่านพิงฟังลองสังเกตว่าตอนเราพูดตอนแรกนะฮะที่ทรงใช้คำม่าอาตาปีสัมปะชาโนสติมาวินยะโลเกะพิชาโดมณัสสแปลว่ามีความเพียรเป็นไปทั้งทางกายและทางจิตอย่างแรงกล้าสามารถเผาผลาญกิเลสให้ หมดไหม้หรือละลายลงไปได้แล้วก็มีสติมีสมัมมัญญยะทาหน้าที่กระจัดอภิชาและโทมนัสในโลกออกไปตอนธรรมะสามข้อนี้มันก็มาอยู่ที่สามข้อแรกในพุทธชงเพียงแต่ว่าทรงเรียงที่สติสัมพุท์ชงไว้เป็นเบื้องต้น ก็คือเรียงสติแล้วก็เรียงปัญญาสัมพัญญะแล้วก็เรียงวิรยิยะซึ่งในในแง่ของความเป็นจริงมันไม่จําเป็นอะไรที่จะต้องจะต้องบง p, ังคับว่าต้องเรียงอะไรไว้ใก้ไว้หน้าไว้หลังเพราะเวลาประพฤติปฏิบัติเนี่ยเขาทํางานสนับสนุนเป็นปัจจัยเสริมซึ่งกันและกันแต่ใครจะนําก่อนนาหลังก็ไม่ได้แปลกอะไร พอถ้าเรามองย้อนกลับไปที่อินสี่ห้ามันก็คือก็คือธรรมะชุดเดียวกันในสี่ห้ามันก็มีวิริยะมีสติแล้วก็มีปัญญาเพียงแต่ว่าชื่อเนี่ยเรียกแตกต่างกันลักษณะของพชชงทรงสอนให้ศึกษารูจิตในแต่ละษณะ เพราะในขณะนั้นแหละพูดชงข้อใดข้อหนึ่งนะที่จริงก็ต้องพูดว่าข้อใดข้อหนึ่งคือคือไม่ได้เกิดตามที่เรียงเอาไว้มันก็แล้วแต่จะเกิดทำนองเดียกิเลสทั้งหลายที่พี่ว่าไว้ในตอนต้นหรือแม้แต่นิวรเนี่ยคือจริงๆเราไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดในขณะใดๆแต่ว่าจะมองเฉพาะกลุ่มของกุศลธรรม ซึ่งปิดกระกลุ่มอายตนะมองเฉพาะกลุ่มของกิเลสหรือพวกนิวรเนี่ยมองเฉพาะกลุ่มของกิเลสแล้วก็คิดสึกษาต่อไปพนก็รับสั่งว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือโพชฌงเจตภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือโพชฌงเจตอย่างไรเล่า ที่สูในธรรมบินในนี้เมื่อสติสัมโพชงมีอยู่ณภายในจิตเจะรู้ชัดว่าสติสัมโพชงมีอยู่ณภายในจิตของเราสติสัมโพชงก็คือจิตที่มีสติระลึกรู้อยู่ที่อะไรก็ได้นะกายก็ได้เวทนาก็ได้จิตก็ได้ธรรมก็ได้ถ้าปรากฏในลักษณะใดลักษณะหนึ่งก็พึงรู้ว่า เวลาเนีสติสัมโพชงได้บังเกิดขึ้นภายในจิตแต่ทีนี้สติเนี่ยมันเป็นกุศ ล, ลธรรมแต่ลักษณะของกุศลธรรมมันก็แนวจิตาอนุปษษัสนาสติปทานก็คือประคองไว้แลาวจะนวจิตานุปัสนาสติปทานพูดระหว่างกุศลกับอกุศลมีวิธีการปฏิบัติที่แตกต่างกันถ้าอากุศลก็พยายามลดละให้จางไปคลายไปบันเทาไป ตลอดถึงดับไปได้ในช่วงสั้นๆในส่วนกุศลก็พยายามประคับประคองรักษาวไว้ให้สืบต่อได้นานเท่าไหร่ได้เป็นดีแต่ในที่นี้ไม่ใช่อย่างนั้นคือดูเฉพาะดูกุศลทีนี้ได้เห็นแล้วก็รับสังว่าหรือเมื่อสติสัมโพธิสงไม่มีอยู่ภายในจิต ย่อมรู้ชัดว่าสติสัมโพชงไม่มีอยู่ภายในจิตของเราคือจิตเนี่ยมันจะต้องถูกปรุงด้วยด้วยเจตสิกเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างกลางกลางบ้างเพราะนการไม่มีสติสัมโพชงก็อาจจะมีโพชงข้ออื่นหรืออาจจะมีอกุศลเราเห็ว่าถ้าเป็นอกุศลก็ปฏิบัติแนวเดียวกับจิตานุปสัสสนาสติปัฏฐานถ้าเรามองในแง่ความจริงเนี่ย คือทั้งหมดเด็ดที่จริงมันก็เป็นเรื่องในตัวเราทั้งนั้นอยู่ที่กายวิาจาใจของเราทั้งนั้นถ้าไม่มีก็ให้รู้ทีนี้ในแง่ของการปฏิบัติเนี่ยเมื่อไม่มีสติสัมผัสชมมันก็ต้องมีข้อใดข้อหนึ่งถือนะ่าเป็นกุศลนกุศลเราก็ไม่รู้หรอกเพราะจิตมันต้องมีเจตสิกเขาปรุงตลออาจจะดีอาจจะไม่ดีอาจจะกลางกลางก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ก็ไปบัดไปตามสมควรแก่กรณี น, นั้นนั้นแล้วก็บอกว่าอันหนึ่งสติสัมโพชงที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดก็รู้ชัดดปประการนั้นด้วยคือก็เป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยสติสัมโพชงนั้นก็ท่านพระอาจารย์แสดงเหตุให้เกิดสติสัมโพชงเอาไว้ ก็เรียกว่าทุกข้อแหละคือแสดงเหตุเกิดเอาไว้แต่ละข้อแต่ละข้อนั้นว่าจะมีเหตุเกิดอย่างนั้นอย่างนั้นก็สติสมโพชงนั้นจะเกิดขึ้นมาก็โดยอาศัยการที่จิตของบุคคลเนี่ยตามปกติแล้วก็คือหลักข้องโยนิโสมนัิการเราจะเห็นว่าหลักโยนิโสมนัิการก็คือหลักการในการทาไว้ในใจโดยอุบายวิธีที่ยกขาย ก็เป็นลักษณะของปัญญาแต่ว่าปัญญาไม่มากแต่ถ้ามีโยนิสมนิการ ท, ที่แหลมคมก็แสดงมก็เพิ่มขึ้นมากในอัตกถ า, าปะปัญจสูทนีซึ่งเป็นอัตกถ า, ามัชฌิมานิกายเนี่ยท่านบอกว่าสติสัมโพชงเนี่ย ย่อมเป็นไปเพื่อการเกิดขึ้นแห่งสติสัมปช็งเนี่ยธรรมะที่เป็นเตุได้เกิดขึ้นแห่งสติสัมปช็องนี้ก็มีอยู่สีประการก็คือสติสั ม, มาชั ญ, ญาะสติเป็นลักษณะซ้นไปแผ่ไปของจิตในอารมณ์ทั้งหลายปัญสติจึงต้องใช้ในทุกกรณี ที่ท่านแสดงว่าสติสัมปัตตปฏิยาเนี่ยสติจําปรารถนาในที่ต้องปวงคือต้องใช้ในที่ทั้งปวงในขณะเดียวกันตัวสัมปัญญะอย่างที่เราพูดไว้ในตอนแรกนะฮะเพราะสัมปัญญะก็คือปัญญาที่รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์รู้ว่าอะไรควรที่ใดควรไปหรือไม่ควรไปใครใครควรครบหรือไม่ควรครบ อะไรควรคิดหรือไม่ควรคิดเนี่ยมันทั้งชัดเจนในขณะเดียวกันก็ระลึกได้ว่าอะไรเป็นที่สบายหรือไม่เป็นที่สบายของตนจนสามารถขจัดความเข่าความหลงในเรื่องเกิดขจัดหมดเดี่ยมันคงจะไม่ได้แล้วนะแต่ว่าก็พยายามขาจัดความเข่าความหลงออกไปจากจิตเพราสะสติสัมปชัญญะยังไงถ้าเขามีสติสัมปชัญญะเนี่ยมันมก็ก็แสดงว่า สติสำยะอยู่แต่มันจะเสริมคือสติเป็นเหตุเกิดสตินะสติเป็นเหตุให้เกิดสติให้เราสังเกต ด, ดูเถอะว่าอะไรที่เราลึกถึงบ่อยๆเนี่ยจะลึกได้เร็วก็จะมีความชำนิชำนาญ เ, เรียกเจริญสติคือฝึกปลือสติอย่างต่อเนื่องเนี่ยสติจะเกิดขึ้นได้เร็ว สปัญญาเองก็เหมือนกันคือถ้าเราใช้บ่อยๆเนี่ยมันจะวินิจฉัยตัดสินอะไรได้เร็วพ อ, อพูดถึงสัมปัญญาแล้วก็ทำให้คิดนะฮะแต่ไม่คิดถึงถึงข่าวคราวต่างๆที่ปรากฏในสื่อคือบางทีเราก็ก็อยู่นอกวิสัยที่ไม่รู้จะทำอะไรได้นะ เราเราก็ไม่สามารถจะติดต่อกับคนเหล่านั้นได้กตบางครั้งบางคราวก็มีคนโทรศัพท์มาถามปัญหาบ้างหรือมาหาที่กุฏิบ้างเราก็มีโอกาสชี้แจงอธิบายให้เขาฟังได้หรือแม้แต่การถามปัญหาซึ่งอยู่ในวันจันทร์มันก็ไม่แน่ใจว่าตอบไปแล้วเขาเชื่อหรือเปล่า หรือว่าคือบางเรื่องเนี่ยเราก็สังเกตว่าต่อไปมันก็เท่านั้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาแล้วเขาก็อาจจะถามต่อไปแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็ได้คุยกันเนี่ยและทาความเข้าใจกันยังกระแสที่มีการคืออาจจะพูดได้ว่าปลุกระดมนะฮะในเรื่อง ที่มารู้เนี่ยกับมาความก็สามเรื่องไง น, นะฮะหมายความมาเรื่องการทําบุญประเทศทําบุญแผ่นดินที่โบูชพระแก้วเนี่ยเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรเรื่องเกี่ยวกับแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเร็จประสังฆราชเนี่ยเราก็รู้เรื่องพฤติกรรมของพระกลุ่มหนึ่งที่พยายามอ้างอะไรแต่แหงต่างเราก็รู้นะฮะแต่เวลาพูดมันไม่ตรงอนะ่ะ คือว่าเกณฑ์มาตรฐานในการวัดเนี่ยถ้าพูดถึงกฎหมายก็ต้องเอากฎหมายเป็นมาตรฐานพูดถึงวินัยก็เอาวินัยเป็นมาตรฐานพูดถึงธรรมะ ก, ก็เอาธรรมะเป็นมาตรฐานพูดถึงอุณหภูมิก็มีมิเตอร์เป็นมาตรฐานพูดถึงกว้างยาวสูงต่ำมันก็เอาไม้เมดรไม้ไมบรรทัดเป็นมาตรฐานทีนี้พอพอเอามาตรเข้าไปจับมันไม่ได้มันไม่เข้าอะ่ะแต่แปลกก็คนเชื่อเยอะ สามารถรวมคนได้ไประชุมคนกันได้แล้วก็รู้สึกรู้สึกคล้อยตามอะ่ะมันเหมือนกับประกาศสิทธิ์จากสวงสวรรค์นะโดยตัวเองไม่ถามว่าคุณรู้จักคนคนนี้ขนาดไหนกน็นิ่งๆก็มีชื่อขึ้นมาแล้วก็อาศัยอะไรก็ตามแหละแต่เรานึกว่ามันน่าจะใช้สติปัญญา ม, มากกว่านั้น มันก็ไดายไปเทียบเคียงเทียบเคียงในเรื่องเืินอื่นเอยสติสัมาจัญ ญ, ญาเนี่มันเรื่องใหญ่มากถ้าเราระลึกได้แต่เราไม่รู้มันก็ติดอยู่ที่ระลึกเพราะฉะนั้นจะต้องระลึกรู้ระลึกได้แล้วก็รู้ยยกตัวอย่างในกรณีของการทำบุญที่บทพระแก้องค์กรมูนิชิทีก็ชนสถาบันสงฆ์ก็ใช้กันปกติอะ คือเราเห็นไอ้คนไม่มีสติเหอือมข่าวคราวต่างๆที่มีการถ่ายทอดส่วนใหญ่จะเป็นช่องสิบเอ็ดมันก็มีอยู่บ่อยอะ่ะทำไมอยู่กันในบ้านนี้เมืองนี้ตั้งเยอะแล้วทำไมไม่ไม่มีสติจำมันเป็นเหตุการณ์ที่ปกติจนไม่รู้จะว่ายัางไงอ่ะนะกลายเป็นเรื่องเป็นราวแต่พอมองคนที่กล่าวหาที่ฟ้องร้องนี่เรายิ่งสลดใหญ่เลย โอ้ในวุธิภาวะมีขนาดนี้แหละคนี่เราเคยมีความรู้สึกเคารพศรัทธาเนี่ยมีวุธิภาวะขนาดนี้คือเนี่ยอุกตเถสูเราพิจฉันติพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าในภาวะชีวิกฤตเนี่ยมันเป็นมาตวัดจิตของมนุษย์ว่าจะอ่อนไหวตื่นเต้นตื่นสนกุกตื่นตูมตื่นตามอะไรขนาดไหน เพราะันสติเหล่านี้มันมันสติสัมปจั ญ, ญ, ญาณนี่จึงต้องใช้ทุกๆเรื่องมันไม่ได้หมายาวความว่าคุณจะต้องไปนั่งกรรมฐ า, านจะก่อนอีกจิสติสมัมปจนญาอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ฟังฟังข่าวทางวิทยุอะไรแต่ไรดูรายการทางโทรทัศน์ต่างๆนี่ต้องมีอ่ะแล้วก็ในบางการณีมันต้องถามมาคุ้มค่าหรือเปล่ายังหนังสือพิมพ์บางวันเนี่ย คือเราเปิดแล้วเราเราไม่เห็นว่าคุ้มค่าจะต้องอ่านเปิดดูผ้าดูหัวดูหัวข้อหัวข้อข้ก็ทีก็สิบนาทีก็ไม่อ่านแล้วคือมันไม่คุ้มค่านลเพราะว่าเป็นเป็นอะไรล่ะในกรณีของความเห็นมันก็เป็นปัจเจุชนคนหนึ่งเท่านั้นเองเห็นก็แสดงอะไรออกมามากมายแต่ก็มันก็เป็นความเห็นของคุณน่ะ แต่ปัญหาอะไรคือข้อเท็จจริงเพรา ะ, ะน้นสติสัมปชัญญะนี่จึงกลายเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าสติสัมปชัญญะจะเกิดเนี่ยมันต้องเว้นจากบุคคลผู้มีสติหลงลืมเพอเลอถ้าเรากข้าพาเกี่ยวข้องกับคนเหล่านี้บ่อยๆเนี่ยมันมันกละไรก็ช่วยกันลากอะ่ะก็ลืมกันใหญ่เลยและเรื่องไม่น่าลืมก็ลืม พรานคนเราต้องช่วยกันตักเตือนช่วยกันให้สติช่วยกันบอกกล่าวไม่งั้นมันมันจะเผลอคนเราเนี่ยตามตามปกติแล้วเขาก็เผลง่ายอยู่แล้วเพราะงั้นเราไปคบกับเขาบ่อยๆไปไหนมาไหนเขาบ่อยๆไปเดียวก็เผลอตามคืออย่างเงี้ยอย่างอย่างบางคนเนี่ยบางทีเราต้องจดอะต้องจดเอาไว้มันก็นึกไม่ออก อย่างรายการต่างๆเช่นสมมุติว่าเขานิมนต์ไปไหนอะไรแต่ อ, อะไรไมันต้องลงรายไ ด, ด้ไว้แล้วก็เปิดดูเป็นวันๆไปแล้วก็จําไม่ได้อ่ะเพราะงั้นระการต่อไปเนี่ยเขาพาสมาคมของคนที่มีสติดีเราเผลอเราหลงลืมเราพลั้งพลาดเราเลอะเลือนไปเออก็บอกกากันอย่างเมั่ก่อนเนี่ยดูดูเขาตอบคําถามทางโทรศัพท์ คือเรานึกไม่ถึงนะฮะก็ บ, บอกว่าพระเจ้าตากสินครองราชสิบสองปีเนี่ยเอ๊ะเขาพูดกอกมาได้ยังไงสิบสองปีเรื่องมันง่ายจนขนาดเราเด็กปสี่เนี่ยก็เรียนรู้แล้วก็แสดงว่าพอถามว่ากรุงรัตนโกสินเกิดเมื่อไรเนี่ยปสเท่าไหร่เนี่ยคงไม่รู้นะอันนี้คือเราขาดสติ ทีนี้เมื่อเมื่อเราไปคบหากับคนที่เ็ามีสติดีๆเนี่ยเขาจะคอยแนะนำตักเตือนบอกกล่าวให้แล้วใจจะน้อมไปหาสติคือพอใจติดใจที่จะใช้สติหยุดรลึกยับยั้งเหนียวร้างกิตเอาไว้ใ้ย่มือนเลื่อนไหลมันก็ถูกสนตะภายมันก็เกินไปนะคนเน่ยมันลากถูกรู้ถูกกลางไปได้ รอยกระแสต่างๆลากทุลุทุกทังไปเอ๋คนอาจจะชื่นชมกับพฤติกรรม14ตุลาหรือว่า6ตุลาหรือว่าพฤิศพานตมินเนี่ยอามาเองไม่เคยชื่อชมคือเรารู้สึกสลดใจเรารู้สึกเสียดายรู้สึกสงสารเ อ, อ้ยพี่น้องเราทำไมเชื่ออะไรง่ายจังเนี่ยทำไมไปเชื่อไปเชื่อเรื่องขนาดนั้นได้ แล้วเราก็ดูได้นะะรายการที่ก็มีคนอะไรล่ะโทรศัพท์อะไรเอเมสอะไรเนี่ยออกมาที่ขึ้นดําจอโทรทัศน์หรือรายการที่เกี่ยวกับวิชาการเนี่ยบางทีเราก็เออบางก็ฟังก็ไนะแต่คนที่แสดงความเห็นเนี่ยเราเห็นโอ้โหคนเราเนี่ยเรื่องเดียวกันเนี่ยพูดคนละเรื่องเดียวกันเลยปัญหาเรื่องความเห็นมันจะต้องมีข้อมูลเยอะ อันสติสัมปญญาย จ, จึงจึงจเป็นเพราะว่าสติจะเป็นตัวระลึกจิตเป็นทาหน้าที่จําแต่สติจะต้องทาหน้าที่ระลึกทีนี้ถ้าเราไม่มีข้อมูลให้ระลึกมันก็ระลึกไม่ได้ปัญญาจะทาหน้าที่วินิจฉัยถ้าไม่มีข้อมูลในวินิจฉัยมันก็วินิจฉัยไม่ได้มีเรื่องเป็น น, นั้นมากที่เราเที่ยวตอบไม่ได้เพราะาเราไม่มีข้อมูล้ลเราเห็นว่าสติ จึงเป็นธรรมะที่ทำหน้าที่ขจัดก็เรียกว่าสติสัมโมสาคือความหลงลืมความเลอะเลือนความเผลอเรอความพลั้งพลาดเพราะขาดสติทีนี้การการฝึกสติเนี่ยเราจะฝึกรู้ในพวกอะไรล่ะที่เราเรียนที่กายานุปัสสนาสติปัฏฐานะอนาปานสตินี่เราจะต้องฝึกสติ หรือดูรู้รู้ที่ยาบทเนี่ยก็คือฝึกสติหรือว่ารู้ทุกความความความเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเนี่ยะระลึกรู้หมดอันนี้ก็คือฝึกสติก็สติตามปกติมักจะขาดแล้วก็จากการสังเกตนะเด็กที่กติเนี่ยเก่งนึกว่าเราก็แก่แล้วนะ แต่เราก็ไม่ลืมอุตรุดขนาดนั้นแต่เด็กนี่การลืมเยอะจริงแปลกจริงๆแล้วเกือบจะทุกคนเนี่ยเป็นอยังไงมันอาจจะเป็นเรื่องของการขาดการฝึกปบือในเรื่องเรื่องสติวพรสติจะต้อง ข, ขจัดสติสัมโมสาคือความหลงลืมความเลื่อนเรือนความเพลเรอของสติ เราเห็นว่าในในสี่ข้อที่ท่านว่าเนี่ยมันมีความจําเป็นที่เราต้องใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการข้อผากันเนี่ยการข้อผาสมาคมกับคนเนี่ยเราถือว่าเรื่องกัญยาณมิตรเป็นเรื่องใหญ่มากคนเราถ้าปราศจากกัญญาณมิตรเราพูดยา ก, กนะดังนั้นทุกข้อเนี่ยทุกข้อก็จะพูดถึงกัลยาณมิตรเอาไว้ ทีนี้ประการต่อไปเนี่ยเขาเรียกว่าธรรมวิจยัยการวิจัยธรรมะการสอดส่องธรรมะการพิจารณาธรรมะการเลือกเฟ้นธรรมะก็แล้วแต่นแต่ในแง่ของความเป็นจริงแล้วก็คือสมาธิติกับสมาสังกัปปะคือปัญญานี่ยพวกนี้ว่าปัญญาสิกขาแต่เราพูดจากไสิกขาก็คือปัญญาสิกขาทีนี้จะตั้งคําถามว่า คือเรื่องแบบข้อต่อไปนี่ท่านท่านจะตั้งคำถามอีกอีกตอนหนึ่งนะฮะว่าสติสัโพชงที่ที่เกิดขึ้นแล้วจะดำรงอยู่ได้ยาวนานเนี่ยเพราะเหตุใดก็รู้อย่างนั้นอันนี้เรื่องใหญ่เราจะเห็นว่าคนที่สติสมบูรณ์มีเฉพาะพระอราหันต์แม้แต่เป็นกรรมฐานอะไรแต่อะไรต่างๆ เั่กรี่มีมีพระมาหาขอให้เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนแต่ก็พูดแล้วรถสะดุ้งเลย <c oughs> แกบอกว่าแกมีความรู้สึกว่าแกเป็นภาสกาตถค า, ามีแล้วก็มีอภิญญาแต่าไม่สามารถแสดงได้พอแกยกตัวอย่างเนี่ยที่จริงมันมีลักษณะปีติแล่นั่นเองไงนะ แา่แกยกตัวอย่างที่เป็นประสบการณ์ของแกว่าเป็นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอาการเขปีติขาดนด่นเล ย, ยเราก็กลัวนะฮะกจะไปตรวจวิทยานิพนธ์ของพระรยะเนี่ยเราก็เราก็กลัวเราก็ไม่ได้เป็นพระริยะอันนี้คือเราเห็นว่าแกลืมไม่ว่าแกขาดสติการบอกมักผลกับคนอื่นเนี่ยแน่นอนกับพระเนี่ยมันก็ปราบปรบแค่ปจัจจตี แต่อย่าลืมว่าพระรยบุคคลไม่ละเมิดอาบัติปัจจิตีเพราะอาบัติปัจจิตีนั้นมันเป็นเหตุแห่งอบัยได้โดยเฉพาะอย่างเงี้ยมันก็คือมุสาวาดทีนี้ถ้าเรื่องจริงเรื่องจริงเราบอกแกแกพระโดยกันก็ไม่ผิดหรอกแต่คัดใจว่าท่านคงบอกแค่แล้วแปลนก็ ต่การบอกคุณสมบัติพิเศษของตนแก่คนอื่นเนี่ยมันเป็นอาการของโลภะกับโมหะคืตะกีเรเราสงบจริงีเงงนเราไม่บอก<ช>เพราะ<ช><ไ>อะไรเพราะว่าการบอกเนี่ยเพื่อจะให้คนอื่นยอมรับนับถือยกย่องเชิดชูตนมันเป็นอาการของโลภะคนก็แห่กันมาทำบุญกับพระอาราหันต์กันไป นะอย่างในสมัยพุทธกาลพระเจ้าเคยเสด็จไปโปรดชัมบุกาชีวกซึ่งวิบากกรรมอำนวยให้ท่านเรื่อกายถอนผมด้ดยเสี้ยนตาแล้วก็นอนบนดินแล้วก็กินอุจาระนั่นคะเรื่องมาจากการท่านด่าพระอรหันต์เอาไว้ในชาติพบก่อนก็แสดงตนเป็นพระอรหันต์ คนก็แห่มาไหว้กราบสักการะบูชากันถึงตอนเรื่องกันก็กคงจะอย่างน้อยก็สองชั่วคนเนี่ยนะคือห้าสิบห้ปีหมายความรุ่นพ่อมาแล้วรุ่นลูกก็อาจจะมาตั้งแต่รุ่นปู่มาก็ได้นั่นคืออะไรเขาคือขาดสติสัมปชัญญะการวิจัยการส อ, สองธรรมะท่านไปบอกเขาว่าท่านกินลม ท่านมีลมเป็นอาหารท่านไม่สามารถจะเหยียบเท้าที่สองลงบนพื้นดินได้เพราะตาบะท่านแก่กล้ามากถ้าขื่นเหยียบลงไปแล้วโลกจากระเทือนหวั่นไหวเลยไปขนาดนั้นนะนะคนเชื่อแปลเนี่ยคือคือคื อ, คอหลักขาดหลักการคิดกล่า ก, การคิดโดยมีเหตุมีผลคืออย่าลืมว่า การมีอย่างหนึ่งเนี่ยมันต้องไม่มีอีกย่างหนึ่งนั่นคือสูตรเลยถ้ายืนยนันวตัวเองมีธรรมะจะต้องไม่แสดงอาการของกิเลสออกมาอย่าลื ม, มนะการโ อ, โอร้อวดเนี่ยไปเป็นมันเป็นกิเลสกิเลสต้องโต้งด้วยตามไปนะฮะกิเลสระดับอุปกิเลสปิิเนเป็นกิเลสที่ค่อนข้างหยาบด้วยทีนี้พอออกมาทางกายทางวาจาก็เป็นวจีทุจริต แต่คนไม่เคยคิดอะเรื่องเหล่านี้เคยอ่านหนังสื อ, อแนวอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ต่างๆอ่นและสงสาร ญ, ญาติโยมะนะครับปัญหาบ้านเมืองเราเนี่แก้กันยากมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ความเข้าใจในศาสนธรรมเพราะลักษณะของการวิจัยธรรมเนี่ย และอธิบายว่าธรรมวิจัยวิทยะสำโพธิชงมีการเกิดขึ้นอย่างนี้ว่ามีอยู่พิสูจน์ทัางหลายกุศลธรรมและกุศลธรรมทั้งหลายนะส่วนที่มีส่วนคล้ายครึง่งกับการหาธรรมและสุกธรรมการกธรรมคือธรรมดำสุกธรรมคือธรรมขาวเราจะเห็นว่าบางทีมันยุ่งเอ๊ะมันมันกุศลหรือกุศล เราเห็นคนนั่งหลับตาท่าทางเคร่งครัดเนี่ยมันไม่แน่มันเป็นตุ๊อย่างจำศีลก็ได้มันเป็นฤาษีกินเหี้ยก็ได้ไม่เป็นการหลอกลวงเป็นมารยาเป็นเสแสร้งเป็นโออวดเป็นแข่งดีอะไรก็ได้เพราะเราจะตัดสินแค่ว่าสงบสงี่ยมเรียบร้อยมันไม่ได้อะพวันการจะรู้ว่าใครมีศีลหรือไม่มีศีล จะต้องอาศัยการอยู่ร่วมกันและต้องอยู่ร่วมกันนานๆต้องสังเกตต้องพิจารณาหาความรู้ความเข้าใจถ้าไม่งั้นจะจะไม่รู้หรอกพราะอย่างที่บอกนะมนุษย์มันเป็นสัตว์โลกชนิดเดียวที่ทําอย่างหนึ่งพูดอย่างหนึ่งคิดอย่างหนึ่งได้เพราะการการวิจัยการสอดส่องการพิจารณาเนี่ยมันก็เริ่มต้นที่การทำ โยนในสมนัติการเนี่ยคืถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะฮะโยนในสมนัติการเนี่ยคือพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าไม่เห็นทรงไม่เห็นธรรมอย่างอื่นที่มีความสําคัญหรือเป็นเหตุเกิดของกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยเหนือหรือนอกจากโยนในสมนัสิการแต่ปริญญา น, นี้ทรงแสดงไ ว, ไ, วไว้หลายข้อนะฮะว่าจริงๆแล้วองค์ธรรมมันก็ เป็นผู้นําได้อย่างที่เคยบอกไว้นะฮะว่าศรัทธาก็นําได้ความเพียรก็นําได้สติก็นําได้สมาธิก็นำได้ปัญญาก็นําได้นําไปสู่มรรคผลนิพพานเน่ยอย่างอื่นก็ตามไปต่อมาเขาอื่นก็ตามไปเพราะก็เป็นกระบวนการกระบวนการเดี๋ยวลองสังเกตนะฮะว่าที่เราไหว้พระสุตมุนเนี่ย ถามว่าในขณะที่เราไหว้พระสวดมนต์มันมีธรรมะอะไรเกิดขึ้นมีสติมีสัมปชัญญะมีศรัทธามีความเพียรมีสมาธิมีปัญญามีการอธิษฐานมีการเมตตาให้อภัยอดทนอะไรต่างๆอีกเยอะเลยนะให้ลองจวดดูสิว่าในขณะนั้นมนมีธรรมะเกิดขึ้นกี่ข้อ แล้วเราเห็นว่าธรรมะนี่เขามาเป็นแถวกันเลยเราขาสักข้อเนี่ยเรากับเราเราก็ไปไม่ได้และววัวนธรรมะในกลุ่มของเขาเขาจะต้องสนับสนุนกันแต่ก็สรุปแล้วก็คือคื อ, ค อ, คอหลักหลักธรรมหลักธรรมสามข้อเนี่ยอย่างที่บอกเอาไ ว, ว้ว่ามันเหมือนกับอาหารไทยอ่ะคือบังขาดขนมกะทิก็ข้าวเหนียวไม่ได้ขนมหวานนะขนมไทยอ่ะ มันขาดสามอย่างนี้ไม่ได้เปานการปฏิบัติธรรมะศึกษาธรรมะการทำนาทำสวนทำไรอะไรก็ไม่รู้นะขาดสติสัมปชัญญะขาดสติปัญญาความเพียรไม่ได้ในขณะเดียวกันเราก็ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองไม่ได้แลเราก็ขาดความอดทนไปได้เราขาดสัจจะก็ไม่ได้นะฮะขาดจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงก็ไม่ได้ ก็หมายความในแง่ของความเป็นจริงเนี่ยคือถ้าเราไม่ไปแสดงอาการผูกขาดมากเกินไปอ่ะคือคนที่ปฏิบัติภารกิจทั้งหลายที่จริงก็คือปฏิบัติธรรมแล้วเรามาสอนกันว่าปฏิบัติธรรมต้องนั่งสมาธิต้องยุบหนอพองหนอต้องสัมมาอารหังต้องพุทโธอันนี้มันเกินไปพูดมากไปอ่ะ ก็เราอย่าลืมมาในที่ถกเนี่ยไม่ต้องนั่งสมาธิเลยอ่ะังนั้นคือการปฏิบัติธรรมลูกทําหน้าที่ของลูกที่ดีพ่อแม่ทําหน้าที่ของพ่อที่ดีแต่และคนก็คือปฏิบัติธรรมธรรมะในที่นี้คือหน้าที่ที่เราจะต้องทําแล้วก็ก็ไม่จําเป็นได้ต้องศาสนาอะไรใดําไปทีนี้เราเราศึกษาเราเล่เาเล่าเรียนด้วยอํานาจของอาหาัมมองการมังการ เลยก็ตั้งตัวเป็นเจ้าข้าวเจ้าของหมดเพระเาะญานนั้นเป็นาศาสดาของเท ว, วดาและมนุษย์ทั้งหลายนะฮะไม่ใช่เป็นเฉพาะศาสาาดาของเราหรอกทีนี้ไอ้ธรรมวิจยะเนี่ยอย่าลืมว่ามันเป็นกลุ่มปัญญานระกลุ่มปัญญาก็ต้องอาศัยปัจจัยต่างๆเป็นอันมากที่พระตถาจารย์ท่านแสดงไว้เนี่ยว่ามีเจ็ดประการคือหนึ่งมันสอบถาม แล้วก็สองคือพยายา ม, ามทาวัตถุคือบ้านที่อยู่ที่อาศัยเครื่องนุ่งเครื่องห่มอะไรแต่ไรต่างๆนี้ไม่สะอาดสะอา้านบ้านหน่าอยู่น่าอาศัยแล้วก็จิตใจจะโปร่งเบาจะสบายให้ลองสังเกตวันไหนที่บ้านสกปรกรุงรังแล้วมันจะอึดอัดนะักหายใจหายขอก็ไม่สะดวกแล้ ว, ลวก็ปรับอิในซี์ให้สม่าเสมอ คืออย่าลืมว่าศัทธาเนี่ยอินอินสี่ในที่นี้หมายถึงอินสี่ห้านะฮะเพราะอินทรีย์มันมีแต่ยี่สิบสอง 22. แต่ในที่นี้จะเน้นที่อินสี่ห้าประกาศคือศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญานี่เราจะเจ อ, อเยอะเราเห็นว่าศรัทธ า, นา เ, นนเนี่ยถ้าแกนนาเนี่ยถ้าแกนนาล้ําหน้าไปมากๆเนี่ยมันแกนจะคล้ายๆกับความรักคล้ายๆกับกรรมฉันเพราะบางครั้งบางคราวเนี่ยอ ไอ้ลูกศิษย์ที่ว่าไปติดอาจารย์ของฉันอาจารย์ของฉันโดยเฉพาะยิ่งยิ่งผัวอาจารย์กรรมฐานเนี่ยนะอาจารย์กรรมฐานรูปร่างลลหล่อๆน่อยส่อโสดองค์น่อยมีคนติดกันเป็นแถวเลยนะเอัติไปติดมามันไม่ใช่มันไม่ใช่ศัจจทาแล้วมันเป็นราคะไปแล้วนะบางทีมีคนมาถวายอะไรมากก็ไปติดอาจารย์ฮนะมันเป็นโลภะไปแล้ว ตอการเข้าไปมีส่วนร่วมมีส่วนแบ่งแสวงหาประโยชน์จากพลังศรัทธาเคารพนะับถือในอาจารย์คุตัวเลลองตอนสเกตว่าพระบางองค์เนี่ยตอนท่านมีชีวิตยอยู่เนี่ยโอ้คนเต็มวัดเต็มวาหาที่จอดรถไม่ได้เข้าไม่ถึงเลยเปิดมรณาภผ้าปั๊บเนี่ยเรียบร้อยเลยวัดร้าง น, นั่นก็แสดงว่ามันไม่ใช่มไม่ใช่ศรัทธาหรอก พระเจ้าสานในรูธาศาสนาเนี่ยมันใค่จะพบผู้มีศีลไม่ใช่องค์ใดองค์หนึ่งแล้วก็ยินดีที่จะฟังพระธรรมโดยไม่ใส่ใจว่าใครแสดงแล้วพยายามปฏิบัติขัดเกลาจิตให้ความสน่ห์นิจางไปคลายไปลดไปบรรเทาไปพระสัทธาจะต้องปราภัยเสมอกับปัญญา พระพุทธศาสนานี่จะสอนอย่างนั้นนะเราจะเห็นว่าเราจะไม่ปล่อยสัทธาเดียวแม้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องมีปัญญ า, า ค, ค้ามกำกับอย่างที่พระเจ้าสอนพระปัญญาขี่นะฮะก่อนจะเชื่อเนี่ยให้ใช้ปัญญาลองทบทวนดูสิหกปีอยู่ด้วยกันมานี่ห้าปีกว่านะไม่ถึงหกปีเต็มอ่ะว่าเคยได้ยินไหมว่าที่เราพูดว่าเราศัตรูุแล้วบรญญาอมาตธรรมแล้วเนี่ลองคิดดูสิเห็นไหมใช้สติใช้สติใ ช, สตใช้สัมมาชัญญา ใช้ความพยายามแล้วก็จิตใจต้องไม่อ่อนไหวคือต้องหนักแน่นเพราะในสุดพลอยเห็นเนี่ยศรัทธามันเกิดไดศรัทธ า, าตรงนี้จึงเกิดจากปัญญาเพราะเวลาควางเทศท่านก็บรรลุปัญญากลตัญญะก็บรรลุได้ดวงตายิ่งธรรมหรือแม้จะไปดูที่คนอื่นเรื่องภาษาดีบุตรก็ดีพระยาศาก็ดีใครๆก็ดีก็จะมีลักษณะอย่างนั้น คือหมายความว่าศรัท ธ, ธาเนี่ยมันใจกกำกับด้วยปัญญาอย่างพระยาศาส์นี่ท่านที่ท่านทึ่งมากเนี่ยคือว่าผู้จะรู้ความคิดและรู้จักชื่อเลยก็เดินไปหาเลยนะไปถึงก็กราบถวายบังคมเลยหรือท่านอน า, นาตบินใิกะเศรษฐีเนี่ยท่านเชื่อ ราชกาลเศรษฐีว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกเราเห็นว่าที่จริงเป็นศรัทธาแต่อาศัยปัญญาพินิจพิจารณาเพราะถ้าไม่ใช่พระเจ้าจริงเนี่ยมืออย่างราชกาลเศรษฐีเนี่ยคงจะไม่ทุ่มเทขนาดนี้หรอกเหมือนถ้าก็ไปเลยไปด้วยความเชื่อไป ม, มีปัญญาค้ากํากับไปถึงก็กราบแทบประบาทเลยเพราะว่าอะไรพระเจ้ารับสั่งวสุดทัตต มานี้ตถาคตอยู่ที่โอ้โหมันสะดุ้งขนลุกนะฮะสุทัตตะเป็นชื่อที่ไม่มีใครรู้จักในกรุงราชจะคือเออพระพุทธเจ้ารู้จักองงานกาถวินิการเศรษีนิครานเขาไปเลยจุมพิษที่ประบาดกราลงแทบประบาดและจุมพิษที่ประบาดมันทุ่มเทลงไปเลยหมดเนื้อหมดตัวเลยคล้ายๆกับสนิทสนมคุ้นเคยมาเป็นปีๆนะ เป็นลุกสิทอุปถาใกล้ชิดมาเป็นปีๆเด้เราจะเห็นในลักษณะเออศรัทธากับปัญญาเนี่ยเขาข้ด ส, สนับสนุนกันในขณะเดียวกันเนี่ยสติเนี่ยมันเหมือนก็จะเร่คือจะตรวจสอบรตรวจสอบแต่ในขณะเดียวกันสมาธิกับวิริยะเนี่ยต้องไปด้วยกัน่อยจะนว่าวิริยะธรมากเนี่ยเกฟุ้งนะฮะกฟุ้งเลย จะเดินจงกรมจะเหนื่อยอย่างเงี้นั่งสมาธิจะเหนื่อยอ่ะคนไปนี้เขฟุงง้งไงพอใจมันจะไปนสนใจที่ปวดที่เมื่อยติงสมาธินี่ถ้าแก่มากเนี่ยมันแก่หนักไปทางง่วงเปลี่นพวกนี้จะต้องจำกับแต่ผู้ปฏิบัติจะต้องพยายามปรับอินทรีย์ตัวเองซึ่งไม่ได้หมายความมาเฉพาะการนั่งสมาธิแต่เรนี่เราเชื่ออะไรโดยขัดปัญญาได้เยอะเลย เห็ไหม่ปล่อยสทัทธารุนหายไปเลยใครก็ไม่รู้พูดเชื่อเป็นตุเป็นตะไปได้เอามาพูดเฉียงแทนนะฮะคือฟังแล้วนะี่สลดใจสงสารสลดแล้วก็เสียดายาเรียนหนังสือกันมาแทบเป็นแทบตายเสียเงนินเสียทองไปเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเยอะใครก็ไม่รู้พูดเขียนเขียนข้อความลงหนังสือพิมพ์ข่าวสังคมเอา้าเชื่อกหมดแล้วไม่น่าสลดนะ เห็นไหมว่าเราใช้ศรัทธาไม่เป็นใช้ปัญญาไม่เป็นเพราะศรัทธากับปัญญาไปปล่อยเดี่ยวไม่ได้ปัญญาทํามากเกินไปแล้วมันเขาเรียกหุนเฟื้องพูดเรื่อยรู้เรื่อยรู้หมดทุกอย่างแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้ถ้าอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าอย่าง น, าาง น, าางนี้ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้เคยไม่ได้คิดอะไรแล้วก็แม้แต่บางทีเนี่ยดูข่าวโทรทัศน์แล้วก็ไปอ้างว่าตัวได้ยิน รือข่าโตัทานบางทีเ็ไม่้พูดอ่ะมนันเป็นภาพเฉอยๆอแล้วคุณรู้ได้งไงว่าเขาพูดอ่ะอันนี้คือคือสิ่งที่ที่ให้ลองสังเกตว่าจะมีการนำไปอ้างเพื่อเสริมเสริมสถานะตัวเองเนี่ยว่าเป็นคนมีความสำคัญอย่างนั้นอย่างนี้นเพราะอินซีเนี่ยจึงต้องพยายามที่จะปรับอินซีให้สม่นเสมอกัน เหนะมือนรถสี่ล้อนะฮะรถด้านหน้าสองล้อก็ศรัทธากับปัญญาด้านหลังก็ความเพียรกับสมาธิสติก็เป็นคนขับเออนำพาจิตไปได้นําพาชีวิตอ่ะที่จริงก็ก็ไม่ได้หมายความว่าเฉพาะกรรมาฐานเท่านั้นต้งฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิายวทยาลัยศรีปฐุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบุญในธรรมจุมีแ<อ>ด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี